เจริญพรท่านพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตสัทธามีความเลื่อมใสในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ทุกทุกท่านวันนี้เป็นวันอังคารที่27่สิกรกาคมพุทธศักราช2553ราเป็นวันเทศกาลเข้าพรรษา เป็นวันที่เริ่มต้นของการอยู่จำพรรษาของพระภิกษสุสัมมาเนมทุกรูปทุกประเทศแม้ว่าจะอยู่ที่ใดอยู่ประเทศใดอยู่ในเมืองเมื่ออยู่ในป่าเมื่อถึงวันแรมหนึ่งค่ำเดือนแปดเป็นเวลาที่จะต้องอยู่กับที่สามเดือน คือถึงวันแรมเดือน11เอเริ่มต้นด้วยวันแรมหนึ่งค่ำเดือน8จนถึงวันแรมหนึ่งค่ำเดือน11เอเป็นระยะเวลาสมเดือนที่พระเิกษุสมัมมณีทุกขนทุกแห่งในโลกนี้ไม่ว่าจะอยู่ประเทศใดก็ตามจะต้องหยุด อยู่กับที่ไม่เดินทางไปข้างแรงที่อื่นให้ข้างแรงอยู่ที่ที่จำพรรษาถ้าอยู่ที่วัดก็ให้อยู่ที่วัดถ้าอยู่ในป่าใดจุดใดจุดหนึ่งก็ให้อยู่ตรงจุดนั้นไปเนื่องจากว่าในช่วงเข้าพรรษาเป็นฤดูฝนเป็นฤดูเพาะปูกชาวนาวชาวไร่ กำลังปลูกข้าวปลูกผักกันแล้วก็มีพระบางรูปท่านเดินข้ามไล่ข้ามนาไปเหยียบผักเหยียบข้าวเขาเสียหายชาวนาชาวไร่จึงได้มากับทูลพระพุทธเจ้าให้ทสสรงทราบพอพระพุทธเจ้าทสสรงทราบก็เลยมีพระบัญญัติ มีคำสั่งไม่ให้พระภิกษุและสามเณรจารลิกเดินทางไปตามสถานที่ต่างๆในช่วงระยะสามเดือนนอกจากมีภารกิจฉุกเฉินหรือจำเป็นจริงๆเช่นพ่อแม่ไม่สบายอุปชายญาภูบาจารย์ไม่สบายหรือกุติชำรุด เสลาชมรุดพระอุโบสถชมรุดต้องไปหาวัสดุมาซ่อมแซมเพื่อป้องกันไม่ให้เสียหายมากไปกว่านี้หรือมีศรัทธาญาติโยมนิมนต์ไปเพื่อบำเพ็ญกุศลอย่างนี้ทรงอนุญาตให้ไปค้างแรมที่อื่นได้ไม่เกินเจ็ดคืนหลังจากนั้นก็ต้องกลับมา อยู่จาพรรษาให้ครบทั้งทั้งสามเดือนถ้าอยู่ครบทั้งสามเดือนก็จะมีอนิสงค์คือมีผลมีรางวัลจะมีสิทธิ์รับผ้ากรถินได้ถ้าไม่อยู่จำพรรษาครบสามเดือนก็จะไม่มีสิทธิ์ที่จะรับผ้ากรถินนี่คือความเป็นมา ของการอยู่จำพรรษาของวันเข้าพรรษาทางพุทธศาสนิกชน<ม>ก็เลยถือช่วงเทศกาลเข้าพรรษาเป็นช่วงที่จะทำบุญและจะปฏิบัติให้มีอะไริรุศษเพิ่มมากขึ้นมาเช่นบางท่านก็จะถื อ, อกาสออกบวช บางท่านก็ออกมาอยู่วัดตามระยะระยะเช่นทุกวันพระก็จะมาอยู่วัดมาค้างคืนมาศึกษามาปฏิบัติธรรมที่วัดบางท่านมาไม่ได้ก็จะตั้งใจใส่าบาตรทุกวันตั้งใจรักษาศีลห้าให้บริสุทธิ์ทุกวันบางท่านก็ ขอละเว้นอาบายามุขต่างๆในระยะสามเดือนเช่นสุรายาเมงการเล่นการพนันการเที่ยวกลางคืนเพื่อเป็นการตัดกิเลสเป็นการซักฟอกจิตใจให้สะอาดเพื่อเป็นการสร้างบุญสร้างกุศลสร้างความเจริญให้แก่ชีวิตจิตใจ ถ้าจิตใจนั้นถูกอาบายมุขครอบงำอยู่ก็จะไม่มีโอกาสที่จะเลือนก้าวหน้าได้จะมีแต่เสื่อมลงไปเรื่อยๆและเมื่อตายไปแล้วก็จะต้องไปเกิดในอบายต่อไปดังนั้นในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาหรือในช่วงพรรษานี้แต่ละคนแต่ละท่านจึงมี จิตอธิษฐานในการที่จะพะุฤธปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งการตั้งจิตอธิษฐานนี้แปลว่าเป็นการตั้งใจไม่ได้เป็นการขอสิ่งต่างๆคำว่าอธิษฐานนี้แปลได้สองความหมายแปลว่าขอและแปลว่าตั้งใจ ความหมายที่แท้จริงก็คือแปลว่าตั้งใจเพราะว่าเราขอไม่ได้ขอให้เราหยุดเล่าไม่ได้เราต้องตั้งใจหยุดเล่าเราถึงจะหยุดได้ขอไปก็เสียเวลาเปล่าๆเพราะถึงเวลาจะดื่นก็ไม่หยุดดื่มอย่างนี้ก็จะไม่ได้ตามที่ขอาศาสนานี้ไม่ได้สอนให้คนขอแต่สอนให้คนทํา ให้ตั้งใจว่าจะทำอะไรอย่างไดอย่างหนึ่งแล้วก็ให้มีสัจจะคือความจริงใจไม่โกหกตัวเองตั้งใจจะทำอะไรแล้วต้องทำให้ได้ถ้าไม่ทำแสดงว่าไม่มีสัจจะตั้งไปก็ไม่เกิดประโยชน์จะไม่ได้รับผลที่เกิดจากการตั้งใจจะทำสิ่งที่ดีต่างๆ ดังนั้นเวลาที่เราคิดอยากจะทำอะไรที่ดีเราก็ควรตั้งจิตอธิษฐานแล้วก็มีสัจจะอย่างพระภิกษุทุกลูกในวันนี้ก็จะต้องตั้งจิตอธิษฐานเหมือนกันว่าจะอยู่จำพรรษาอยู่ในวัดนี้ตลอดระยะเวลาสามเดือนจะไม่ไปข้างแรงตามสถานที่ต่าง ยกเว้นมีติดฉุกเฉินติดจำเป็นจริงๆถึงจะไปพอตั้งจิตอธิษฐานแล้วก็เป็นเหนืวยกลับให้คำมั่นสัญญากับตัวเราเองกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายถ้าเราไม่เคารพหรือไม่รักษาสิ่งที่เราอธิษฐานไว้เราจะเป็นคนไม่มีหลักไม่มีเกณฑ์จะไม่สามารถทำอะไร ให้เป็นชิ้นเป็นอันได้จะไม่สามารถพัฒนาจิตใจให้สูงขึ้นให้ดีขึ้นได้พระพุทธเจ้าของเราก่อนที่จะตัดสรู้เป็นพระอาหารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ต้องตั้งสัจจะอธิษฐานไว้เหมือนกันตอนที่นั่งอยู่ใต้ใต้ต้นโทรทรงตั้งสัจจะอธิษฐานว่า จะนั่งอยู่ใต้ต้นโพนี้ภาวนาสมถะและวิปัสสนาไปจนกว่ากิเลสจะหมดไปจากจิตจากใจจนกว่าจิตจะมีความสะอาดบริสุทธิ์ตัดสรุปพระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณถ้ายังไม่บรรลุจะไม่ยอมลุก ข, ขึ้นจากที่นั่งนี้เป็นอันขาดถึงแม้ว่าร่างกายจะตายไป ก็ยอมที่จะให้ร่างกายนี้ตายไปจะลุกก็ต่อเมื่อได้บรรลุธรรมเท่านั้นการได้ตั้งสัจจะอธิษฐานแบบนี้จะทำให้ใจของเราหนี้พุ่งไปสต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเราจะไม่มีความหวั่นไหวกับอุปสรรคต่างๆนาน า, นาถึงแม้จะยากจะลำบากจะเจ็บจะปวดจะทรมานอย่างไร ถ้าจิตใจมีความแน่วแน่มีความตั้งใจที่จะทำในสิ่งที่ตนเองได้ตั้งใจเอาไว้แล้วก็จะสามารถทำได้ด้วยอำนาจของสัจจะอธิษฐานนี้เองดังนั้นก่อนที่เราจะทำอะไรก็ขอให้เราพิจารณาให้ดีว่าเราจะทำได้ไหมถ้าเราคิดว่าเราทำได้ ก็ให้ตั้งสัจจะอธิษฐานไปเลยแล้วเราก็จะทำได้แต่ถ้าเราไม่ตั้งสัจจะอธิษฐานเดี๋ยวเราก็จะโลเลพอวันต่อมาอาจจะเปลี่ยนใจได้เพราะใจของเรานี้มันไม่แน่นอนวันนี้คิดอยากจะทำดีเดี๋ยวพรุ่ง น, นี้อารมณ์ไม่ดีก็อยากจะทำบาปขึ้นมาแต่ถ้าเราตั้งสัจจะอธิษฐานไว้ว่า พรรษานี้จะไม่ทำบาปถึงแม้จะมีอารมณ์ไม่ดีที่จะมาผลักให้ไปทำบาป ก, ก็จะไม่ทำเพราะเรามีศัจจามีความจริงใจเราไม่ใช่เป็นคนโกหกหลอกลวงตัวเราเองหรือผู้คนมีสัจญานี้แล้ะเรียกว่าคนดีที่แท้จริงถ้าไม่มีศัจญานี้ ยังไม่สามารถเรียกตนเองว่าเป็นคนดีได้พระพุทธเจ้าส่งสอนพระลาหุนซึ่งเป็นพระซึ่งเป็นพระราชนิของพระพุทธเจ้าและได้บวชเป็นสัมมณีหลังจากที่พระพุทธเจ้าไปโปรดที่ในพระราชวังแล้วพระพระมเหสีคือแม่ของ พระราหุนก็บอกให้พระราหุนไปขอมรดกจากพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็มีมรดกอย่างเดียวก็คือการบวชก็เลยจับพระลาหุน ม, มาบวชแล้วบวชแล้วก็สอนพระราหุนเกี่ยวกับเรื่องสัจจะทรงตักน้ําใส่ขันไว้เต็มขันหนึ่งขันแล้วทรงพูดกับพระลาหุนว่าราหุน น้ำนี่ก็เป็นเหมือนความดีที่มีอยู่ในใจของเธอแต่ทุกครั้งที่เธอพูดปดก็เหมือนกับเทน้ำออกจากขันทีละเล็กทีละน้อยถ้าพูดบดไปเรื่อยๆไม่มีสัจจะต่อไปก็จะไม่มีความดีมนลงเหลืออยู่เหมือนกับน้ำที่จะต้องถูกเทออกไปหมดคนเรานี้อยู่ที่สัจจะเป็นหลัก พอเราจะทำอะไรได้ก็ต้องมีสัจจะอธิษฐานต้องตั้งจิตต้องตั้งจิตอธิษฐานแล้วก็มีสัจจะพอเรามีสัจจะแล้วเราก็จะสามารถที่จะทำสิ่งต่างๆที่เราปรารถนาที่อยากจะทำได้นี่คือเรื่องของการอยู่จำพรงษาของพระภิกษุทุกลูก และของศรัทธาญาิโยมที่มีความปรารถนาที่จะบำเพ็ญปฏิบัติธรรมะหรือข้อวัดที่ดีบางข้อเท่าที่จะสามารถทำได้เพื่อความสุขและความเจริญเพื่อความหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายเกิดจากการปฏิบัติของเรา ไม่ได้เกิดจากการขอจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเราจะขออะไรจากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่ได้เพราะท่านไม่สามารถที่จะให้กับเราได้สิ่งที่ท่านให้เราได้ก็คือคำสอนท่านจะสอนให้เราทำเองให้เป็นอัตตาหิอั ต, ตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งของตนอยากจะได้อะไรก็ให้ สร้างขึ้นมาด้วยตนเองเช่นพระพุทธเจ้าอยากจะบรรลุเป็นพระพุทธเจ้าก็ต้องออกบวชต้องสละราชสมบัติต้องสละความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายซึ่งเป็นความสุขเล็กๆน้อยๆเมื่อเปรียบกับความสุขที่ได้จะได้รับจากการบรรลุเป็นพระพุทธเจ้าเพราะเป็นปรมังสุขขัง นิพพานังป a r a ังสุ ข, ขังนิพพานี้เป็นความสุขอันสุดยอดเป็นความสุขอันยิ่งใหญ่เป็นความสุขที่ไม่มีวันเสื่อมคลายเป็นความสุขที่ไม่มีความทุกข์เจือปนไม่เหมือนกับความสุขทางโลกทางตาหูจมูกนิ้นกายที่ไม่จีรังถาวรเป็นเหมือนควันไฟแล้วก็มีความทุกข์แถมมาด้วย แล้วก็ต้องหาอยู่เรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดแต่ความสุขของพระนิพพานนี้เมื่อมีอยู่ในใจแล้วก็จะมีอยู่ตลอดเวลาถ้าเป็นน้ำที่ใสไว้ในตุ่มก็จะไม่มีวันพร่องไม่ต้องเติมน้าแต่ความสุขทั้งโลกนั้นมันเป็นความสุขของตุ่มที่มีรอยรั่วอยู่เติมน้ำเข้าไปเต็มมากน้อยเพียงไร ไม่นานมันก็จะรั่วซึมออกมาน้ำก็จะลดลงไปก็จะต้องคอยเติมอยู่เรื่อยๆรอยรัย่วของความสุขของทางโลกนี้คืออะไรก็คือความอยากต่างๆนี่เองความอยากนี้ทำให้เราเกิดความรู้สึกว่าเรามีไม่พอทั้งๆที่เราได้มากกว่าคนอื่นหลายร้อยเท่าด้วยกัน แต่เราก็ยังรู้สึกว่าไม่พอความไม่พอนี้ไม่ได้อยู่ที่ว่ามีมากมีน้อยแต่อยู่ที่ความอยากที่มีอยู่ในใจซึ่งเป็นเหมือนรอยรั่วของตุ่มถ้าเราไม่หุดรอยรั่วของตุ่มนี้เราให้เราใส่น้ำเข้าไปมากน้อยเพียงไรเดี๋ยวมันก็จะพร่องหมดไปก็ต้องเติมใหม่อยู่เรื่อยๆ แต่ถ้าเราอุดรอยรั่วไว้ไม่ให้มันให้น้ําไหลออกมารั่วไหลออกมาแล้วพอเราเติมน้ําเต็มตุ่เพียงครั้งเดียวมันก็จะเต็มอยู่อย่างนั้นไปตลอดใจของเราก็เหมือนกันใจของเรามีรอยรั่วคือมีตัณหาความอยากนี่เองมีความอยากในรูปเสียงติดโน้นโผลโ่ถภาที่ไม่มีวันสิ้นสุด อยากมาตั้งแต่วันเกิดอยากดูอยากฟังอยากกินอยากรับประทานอยากดื่มอยากมาอย่างนี้มาไม่รู้กี่สิบปีกี่ร้อยปีกี่ชาติแล้วก็ยังไม่หยุดอยากเพราะเราไม่เคยหยุดเราไม่เคยตัดความอยากกันนั่นเองถ้าเราตัดความอยากได้แล้วเราจะไม่มีความอยากเหลืออยู่เราก็จะมีแต่ความอิ่งความพอ จะมีความสุขตลอดเวลาการดังนั้นการปฏิบัติธรรมของพวกเราไม่ว่าจะทำอะไรจะรักษาศีลจะทำบุญให้ทานจะนั่งสมาธิหรือจะละเว้นจากสุรายาเมาอบบยามุขต่างๆก็เป็นการตัดความอยากนี้เองเพราะความอยากนี้ ทำให้เราต้องไปดื่มโุราไปเล่นการพนันไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไปซื้อข้าวซื้อของไปทำมาหากินแบบไม่รู้จักขอบเขตความจริงการทำมาหากินมันก็บอกอยู่แล้วว่าให้ทำมาหากินเท่านั้นหามาเพื่อกินไปวันวันหนึ่งพอมีกินแล้วก็ควรจะพอ แต่นี่ไม่พอมีกินแล้วไม่พอต้องมีอย่างอื่นอีกต้องมีเครื่องเล่นต่างๆมีทีวีมีโทรทัศน์มีอะไรต่างๆนานาที่ไม่มีความจาเป็นต่อการอยู่ของร่างกายชีวิตของเราจึงมีแต่ความวุ่นวายมีแต่ความทุกข์กับการหาสิ่งต่างๆ มาบำนุงบำเลวความอยางได้มากเท่าไหร่แทนที่จะมีความสุขมีความอิ่มมีความพอกับไม่อิ่มกับไม่พอกับยังมีความทุกข์อยู่เพราะพุทธเจ้าทรงเห็นในขณะที่เป็นพระราชาโอรสพระองค์ก็มีปราสาทถึงสามม ด, ดูมีนางสนมกำนันมาบำนุงบำเลว มีคนมาคอยรับใช้มีอาหารการกินอย่างสมบูรณ์อยากจะทำอะไรอยากจะเล่นอะไรอยากจะดูอยากจะฟังอะไรก็มีทำได้หมดแต่ใจกลับไม่มีความอิ่งไม่มีความพอเพราะยังมีความอยากหลงเหลืออยู่ในใจนั่นเองพระพุทธเจ้าจึงทรงเห็นโทษของความอยากจึงอยากจะหาวิธี ดับความอยากก็เลยออกไปข้างนอกก็ไปเห็นพระทิกษุเห็นนักบวชก็ถามเขาว่าทาอะไรเขาทำอะไรถึงมาเป็นนักบวชเขาบอกว่าเขามาบวชเพื่อมาตัดความอยากต่างๆเขาต้องการที่จะทำลายความอยากให้หมดไปจากใจเพราะเมื่อหมดความอยากแล้วก็จะอยู่อย่างสบาย อย่างตอนนี้ยากโยมไม่มีความอยากถึงแม้จะเป็นชั่วคราวมันก็ทําให้สบายใจนั่งอยู่เป็นสุขได้แต่ถ้าเกิดมีความอยากจะสูบบุหรี่ขึ้นมาจะนั่งอยู่ในนี้ไม่ได้จะต้องออกไปข้างนอกเพื่อสูบบุหรี่หรืออยากจะดื่มน้าหรืออยากจะรับประทานขนมก็จะนั่งอยู่ในนี้ฟังเทศฟังธรรมไม่ได้ เพราะความอยากจะมาทำให้เกิดความรู้สึกลาคาญอึดอัดใจจะต้องลุกออกไปทำตามความอยากนี่ก็ยกตัวอย่างให้เห็นโทษของความอยากแล้วพระพุทธเจ้าก็เลยรู้ว่าการอยู่ในวังนี้ไม่ได้เป็นการดับความอยากแต่จะเป็นการเสริมความอยาก พรทุกครั้งอยากจะมีอยากจะได้อะไรก็จะมีคนเอามาถวายให้ทันทีพระองค์จึงรู้ว่าต้องหนีออกจากวังถ้าอยู่ในวังแล้วจะไม่มีโอกาสที่จะตัดความอยากได้พระองค์เลยต้องหนีออกจากวังไปออกไปบวชแล้วก็อยู่แบบขอทานยินดีตามมีตามเกิด ไม่คิดอยากจะรับประทานอาหารชิ้นนั้นชนิดนี้ออกไปบินทบาทแล้วก็ยินดีกับอาหารที่ได้มาไม่ว่าจะเป็นชนิดใดก็ยินดีรับไปกินไปเพื่ออยู่ไม่ได้อยู่เพื่อกินไม่ได้กินเพื่อความสุขใจแต่กินเพื่อการระงับดับความหิวดับความทุกข์ของร่างกายเท่นั้นส่วนความสุขใจนี้ ต้องดับด้วยการดับความอยากถ้าเราอยากอาหารชนิดนั้นชนิดนี้วิธีที่จะดับความอยากในอาหารชนิดนั้นชนิดนี้ก็ให้เอามาเทใส่ในภาชนะอันเดียวเอามารวมกันอยากจะกินขนมก็ใส่เข้าไปอยากจะกินข้าวผัดก็ใส่เข้าไปอยากจะกินแกงก็ใส่เข้าไปใส่มันรวมเข้าไป พอเดี๋ยวมันก็จะต้องไปรวมกันอยู่ในท้องแต่เราจะตัดความอยากในอาหารชนิดต่างๆด้วยการรวมใส่ไปในชามอันเดียวกันคนมันให้เป็นอาหารชนิดเดียวแล้วค่อยรับประทานใส่ของหวานเข้าไปใส่ขนมเข้าไปใส่ข้าวเข้าไปใส่กับเข้าไปแล้วก็คนมันคลุกมันเข้าไปให้เป็นเหมือนกับเป็นข้าวผัดแล้วก็กินเหมือน ถ้ากินอย่างนี้ก็จะตัดความอยากในอาหารชนิดต่างๆได้ต่อไปมีอะไรก็กินได้จะไม่จู้จี้จุกจิกจะกินได้อย่างสบายเพราะไม่ได้กินเพื่อความสุขไม่ได้กินตามความอยากแต่กินเหมือนกินยาเวลาเรากินยานี่เราไม่สนใจว่ายาจะมีสีอะไรจะมีรูปร่างอย่างไรจะมีกลิ่นอย่างไรเรากินเพื่อรักษาโรค ท่านั้นเองเรากินอาหารก็ต้องกินถึงกินยากินเพื่อรักษาโรคความหิวดับความหิวของร่างกายซึ่งเป็นโรคชนิดหนึ่งถ้าเรากินแบบนี้แล้วเราก็จะตัดความอยากในอาหารชนิดต่างๆได้ถ้าเราจะกินเป็นเวลาด้วยคือเราจะไม่กินนอกเวลาเช่นถ้าเรากินสามมื้อเราจะเราก็จะกินในเวลาที่เรากิน นอกเวลาเราจะไม่กินอะไรเลยนอกจากดื่มน้ําอย่างเดียวเพราะน้านี้มีความจำเป็นที่จะต้องดื่มแต่ให้เป็นน้ําเปล่ า, ลาอย่าไปดื่มน้ําที่มีรสมีกลิ่นมีสีเพราะนั่นจะกิดจะดื่มตามความอยากถ้าดื่มตามความจำเป็นก็ดื่มแต่น้ําเปล่าอย่างนี้รับรองได้ว่าต่อไปความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสปวดทพะ ก็จะน้อยลงไปจะเบาบางลงไปและเราจะอยู่ได้อย่างสบายถึงแม้จะไม่ได้กินอาหารบางมือ้อบางเวลาก็จะไม่รู้สึกเดือดร้อนหรือบางทีกินมวนละมือก็อยู่ได้อยู่ได้อย่างสบายไม่ต้องมาคอยวุ่นวายกับการหาอาหารชนิดต่างๆมารับประทานได้ความสุขเดียวๆ เ, เท่านั้นเอง คือความสุขตอนที่ได้รับประทานแต่ความทุกข์ที่จะตั้งตามมา เ, เวลาที่เกิดความอยากแล้วถ้าไม่รู้จักหักห้างความอยากรับประทานมากเกินไปก็จะทําให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บตา่ตางๆตามมาร่างกายจะมีน้ําหนักมากเกินไปก็จะมีโรคเบาหวานจะมีโรคความดันมีโรคหัวใจมาทําให้ชีวิตนี้ต้อง องสูญเสียไปก่อนเวลาที่ควรจะเป็นไปได้เพราะไม่มีกำลังที่จะตัดความอยากในการรับประทานอาหารนั่นเองนี่คือโทษของความอยากในระดับของศรัท ธ, ธาญาติโยมในระดับของพระภิกษุเมื่อมาบวชแล้วสิ่งความอยากที่เป็นอันตรายอย่างยิ่งต่อพระภิกษุก็คือความอยากที่จะเสพกาม คือการอยากจะไปหลับนอนกับผู้อื่นพระพุทธเจ้าจึงต้องสอนให้พิจารณาอาการ32สองของร่างกายเวลาบวชอยู่ในโบสก็ให้สอนอาการ5อาการก่อนคือผมขนเล็บฟันหนังแล้วเมื่อบวชแล้วก็ให้เอามาศึกษาอาการอื่นต่อไปอย่ามองแต่ผมขนเล็บฟันเพราะจะทำให้เห็นว่าสวยงามได้ ต้องมองเข้าไปใต้ผิวหนังให้มองเข้าไปใต้เนื้อใต้กระดูกให้เห็นเนื้อเห็นเอ็งเห็นกระดูเห็นอวัยวะต่างๆเห็นปอดเห็นหัวใจเห็นตับเห็นไตเห็นลำไส้และเห็นสิ่งปฏิกูลต่างๆที่ถูกขับออกมาจากร่างกายถ้าพิจารณาอย่างนี้อยู่บ่อยๆต่อไปก็จะจำได้เวลามองเห็น คนสวยคนงามก็จะไม่เห็นแต่เฉพาะความสวยงามภายนอกแต่จะเห็นความไม่สวยงามภายในด้วยคือจะเห็นอวัยวะต่างๆพอเห็นอวัยวะต่างๆความอยากที่จะร่วมหลับนอนก็จะหายไปก็จะสามารถอยู่เป็นพระได้เพราะถ้าไม่สามารถถักห้ามการอารมณ์ได้แล้วไปเสพการกับผู้อื่น ก็จะต้องถูกจับสึกไปเพราะถือว่าเป็นการกระทําผิดที่ร้ายแรงของพระภิกษุพระภิกษุนี้มีข้อห้ามหรือโทษข้อห้ามที่ร้ายแรงอยู่สี่ข้อด้วยกันข้อที่หนึ่งก็คือการไปเสพกางกับผู้อื่นไ ป, ไปร่วมหลับนอนกับผู้อื่นข้อที่สองคือการฆ่า ม, มนุษย์ข้อที่สามก็คือการลักทรัพย์ และข้อที่สก็คือการอวดคุณวิเศษที่ไม่มีในตนเช่นอวดว่าละลึกชาติได้มีฌานมองเห็นสวรรค์มองเห็นนรกอย่างนี้เป็นตน้นหรือมีตาทิพย์หูทิพย์ถ้าไม่มีในตนแล้วมาอวดมาบอกคนอื่นอย่างนี้ถ้าเขาจับได้ก็จะถือว่าขาดจากความเป็นพระไป ถึงแม้ผู้อื่นจะไม่รู้แต่ผู้กระทําก็รู้ว่าตัเองนั้นไม่ได้เป็นพระแล้วเพอพระพุทธเจ้าไม่ได้บัญญัติว่าจะต้องให้ผู้อื่นรู้ถึงจะขาดจากความเป็นพระถ้าได้กระทําอย่างนี้แล้วก็จะขาดจากความเป็นพระทันทีถ้าอยู่ต่อไปก็จะเป็นพระปลองเป็นพระหลอกชาวบ้านเพื่อที่จะหาลาบสักการะเท่านั้น แต่ไม่ได้เป็นพระเพื่อบวชเพื่อมรักผลนิพพานไม่ได้บวชเพื่อการหลุดพ้นจากการเมินไหวตายเกิดนี่คือเรื่องของตัณหามันเป็นตัวการที่ร้ายกาบมากเป็นตัวการที่สร้างปัญหาต่างๆให้เกิดขึ้นเหตุการณ์ในบ้านเมืองที่มีการทะเลาะบอกแวง้งมีการทําลายทรัพย์สินสมบัติเข้าของต่างๆ ก็เกิดจากความอยากนี่ไม่สามารถยับยั้งความอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้พอไม่ได้ก็เลยโกรธก็เลยต้องไปทําร้ายข้าวของของผู้อื่นถ้าเรารู้จักหักห้างความอยากแล้วถึงแม้เราจะมีน้อยเราก็จะอยู่อย่างมีความสุขได้และจะมีความสุขมากยิ่งกว่าคนที่มีเงินกองเท่าภูเขาแต่ยังมีความอยาก อ, อยู่ เช่นพระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายท่านอยู่อย่างมีความสุขทั้งๆ ท, ง ท, งที่ท่านไม่มีสมบัติอะไรเลยนอกจากบริขาร8ชิ้นคือเรียกว่าอัฏฐบริขารเช่นบาตรและจีวรเป็นต้นแต่ท่านมีความสุขมากกว่ามหาเศรษฐีที่มีเงินเป็นร้อยล้านพันล้านเพราะใจของท่านไม่มีความอยากใจของท่านมีความพอนั่นเอง นี่คือเรื่องของการบำเพ็ญต่างๆไม่ว่าการมาทำบุญให้ทานก็ดีรักษาศิงก็ดีนั่งสมาธิก็ดีฟังเทศฟังธรรมก็ดีเป้าหมายพุ่งไปที่เพื่อที่จะตัดความอยากอยาไปทำบุญเพื่ออยากจะร่ำอยากจะรวยอยากจะได้สิ่งนั้นสิ่งนี้อย่างนี้ไม่ใช่เป็นการทำบุญตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนให้ทำ การทำบุญต่างๆทาเพื่อตัดความอยากที่มีอยู่ในใจเพราะความอยากที่มีอยู่ในใจนี้เป็นเหมือนเชื้อโรคของใจจะสร้างความทุกข์ทรมานให้กับใจการทำบุญการปฏิบัติการบําเพ็ญนี้เป็นเหมือนการรับประทานยาเป็นธรรมโอสถถ้าเราปฏิบัติเรามียาธรรมโอสถเข้าไปในใจของเราต่อไปเชื้อโรค คือความอยากต่างๆก็จะหมดไปพอหมดไปแล้วก็จะหายจากความทุกข์ทรมานทุกวันนี้ที่เราทุกข์ทรมานใจกันก็เพราะเกิดความอยากเวลาคนตายคนที่รักตายไปเราก็ร้องห่มร้งองไห้ทุกข์ทรมานใจเพราะอะไรเพราะเราไม่อยากให้เขาไปไม่ใช่เลยเราอยากจะให้เขาอยู่กับเราอีกความอยากแบบนี้จึงทำให้เราเศร้าโศกเสียใจทุกข์ทรมานใจ แต่ถ้าเราไม่มีความอยากเรายอมรับความจริงว่าทุกคนเกิดมาแล้วสักวันหนึ่งก็ต้องตายจากกันไปเป็นธรรมดาเมื่อถึงเวลาที่เขาต้องตายจากเราไปเราก็ต้องยอมรับความจริงเราก็จะไม่มีความอยากที่จะให้เป็นอย่างอื่นเมื่อเราไม่มีความอยากใจของเราก็จะไม่เศร้าสศกเสียใจนี่คือเหตุผลของการที่พวกเรา ได้ตั้งจิตอธิษฐานเพื่อบรงเ็ญบุญชนิดต่างๆในช่วงระยะเข้าพรรษานี้ตลอดระยะเวลาสามเดือนเพื่อตัดเพื่อดับหรือเพื่อละความอยากต่างๆให้เบาบางลงไปหรือให้หมดไปเพื่อเราจะได้พบกับความสุขที่เกิดจากความพอจึงขอฝากเรื่องของการเข้าพรรษานี้